พวกเด็กโรงเรียนนะเด็กนะยืนให้หลวงพ่อดูหน่อยลุกขึ้นยืนหน่อยเออนั่งได้นะใช้ได้นะดีภาวนาออจิตใจมันสว่างสวัยภาวนาแล้มืดตื้อใช้ไม่ได้ กิเลสมันครอบคนกิเลสแรงๆมันมืดไปดูรู้สึนิดนึงมันมืดแล้วมันมีแต่ความสุขนั่งฟังแล้วมีแต่ความสุขนะมันไม่ไม่ใช่อ่ะมันจะคล้ายๆคนติดยา ภาวนานแล้วมีแต่ความสุขยาวนานไปนะ่ยพวกเราต้องเฉลียวใจเลยมันต้องมีอะไรพลาดแล้วลนะ่ะหลวงพ่อเคยพลาดเหมือนกันมันเป็นทุกคนอนะ่ะมันมีวิปัสสนูบางตัวนะภาวน า, นานไปแล้วมันเหมือนไม่มีกิเลสใจสบายว่างแต่ถ้าประกอบด้วยโมหะมันมืดไปใหญ่ สบายแบบมืดๆหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งนะฟังจำฝังใจเลยภาวนาไปแล้วก็ใจมันเคลื่อนออกข้างนอกไม่เข้าฐานไอ้ใจไม่เข้าฐานแล้วก็มันไปว่างหยุดข้างหน้านสว่างสวยเลยนะตอนนั้นไม่มืดนะ จิตเ น, นี่ยสว่างไปหมดเลยแต่มันมีความสุขความสุขนั้นอยู่ตั้งปีกว่าหลวงพ่อฉเฉลียวใจว่าเราต้องทำอะไรผิดล้พระพุทธเจ้าสอนอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทำไมเราภาวนาแล้วมันเที่ยงมามันสบายอยู่อย่างเงี้ยทำไมมันมีแต่ความสุขนะเบาโล่งโปร่งท่านสอนอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับถ้าไม่เราบังคับได้เราจะทรงอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่ก็อยู่ได้มันต้องมีอะไรผิดแต่ตอนนั้นดูเองยังไม่ออกนะแต่รู้ว่าผิดแล้วแต่ผิดยังไงยังไม่รู้พอดีขึ้นไปบ้านตากสมัยนั้นหลวงตาเรายัางเข้าถึงท่านง่ายนะตอนนี้เข้าถึงยากที่สุดนะคนที่เข้าถึงท่านได้มีน้อยเต็มทีเลยนะ สมัยหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเข้าถึงง่ายไม่มีใครเฝ้าท่านห่วงห้ามอะไรไม่มีเข้าถึงตัวท่านท่านกำลังวกวากวกวกอยู่ท่านน่ารักแบบของท่านนะท่านเอะดูอะไรเงี้ยกำลังดูพระจัดอาสนะจะฉันข้าวท่านก็นั่งพิงเสาอยู่ ชี้องมองอนี้ทำงานช้าก็ไม่ได้นะทำงานเร็วขาดสติก็โดนดูอีกเรียกว่าเล่นทั้งขึ้นทั้งล่องอะ่ะสไตย์ครูบาจารย์นะท่านรักรูกศิษ์ท่านเข้มงวดหลวงพ่อคลานเข้าไปหลังท่านเข้าข้างหลังท่านบอกขอโอกาสครับท่านหันมามองหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ว่าง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 ไม่กี่เมตรหรอกช่วงนั้นไม่มีคนแล้วนั่งพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธไปท่านบอกให้อะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้เนี่ยประสบการณ์ของท่านหลวงพ่อพุทโธพุทโธนะใจแน่นเหมือนจะแตกเลยใจไม่ชอบพุทโธพอใจไม่ชอบพุทโธหลวงพ่อก็พิจารณาทําไมท่านจะให้พุทโธปกติพุทโธเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมาธิ เราทำสมาธิผิดละมั่งนะหรือเราบกพร่องในเรื่องสมาธิรวงพ่อกลับไปทำอนาปนาสติเลยนะแต่ประกอบพุทธโธพรเรื่องหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะหายใจเข้าพุทออกโทเงี้ยหายใจอยู่ไม่นานนะจิตรวมจิตรวมโอ้ยที่ผ่านมาจิตไม่เข้าฐานจิตไปอยู่ข้างนอกนะเสียเวลา ไปอยู่ในความว่างความสว่างเรียกว่าโอภาษ์โอภาษสว่างว่างสบายมีแต่ความสุขให้พวกเราระวังนะถ้าภาวนาแล้วมีแต่ความสุขมันผิดแน่นอนภาวนาแล้วต้องเห็นทุกข์ได้ไม่ใช่ภาวนาแล้วติดอยู่ในความสุขเป็นแบบนั้นไม่ต้องทำอะไรหรอกไปกินกัญชาไปสูบกัญชามีความสุข ความสุขเหมือนคนติดยาใช้ไม่ได้งั้นเราต้องฝึกนะให้ใจเราตั้งมั่นจริงๆเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆโดยที่เราไม่ได้บังคับไว้ยากตรงเนี้ยตั้งมั่นโดยไม่บังคับพนะาใจตั้งมั่นโดยไม่บังคับแล้วก็เจริญปัญญาหัดใหม่ๆยังไม่เคยรู้สึกตัวแล้วมารู้สึกตัวนั่นจะมีความสุข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 ว่าบรรลุมรรคผลไปแล้วหรือเป็นพระอรหันต์แล้วเวลาเจอวิปัสสนูเนี่ยมักจะชอบคิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วลดลงมาหน่อยก็เป็นพระอนาคาระอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรดูไม่เห็นกิเลสทำไมไม่เห็นกิเลสเพราะจิตมันไม่ถูกต้องสมาธิมันปิดสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิ เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญามีปัญญาถึงจะเห็นทันกิเลสนะถ้าไม่มีปัญญาไม่เห็นกิเลสหรอกอย่างเรามีสติเรารักษาใจว่างนิ่งอยู่เฉยๆนะกิเลสไม่โผล่ให้ดูเราก็รู้สึกไม่มีกิเลสที่จริงไม่ใช่นะทำผิดอยู่ถ้าครูบาอาจารย์เตือนแล้วส ก, กิตแล้วต้องรีบเฉลียวใจเลยนะว่ามันต้องมีอะไรพลาดแล้วละ่ะไม่ง้ครูบาอาจารย์จะพูดทำไมนะ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 ทีแรกเขาคิดว่าตรงนี้นะฝึกเรื่อยๆแล้วจะนิพพานต่อมาสังเกตว่ามันมีการเข้าการออกมีการกําหนดจิตอย่างโนอ้นอย่างนี้นะแล้วเข้ามาตรงนี้ได้นี่ไม่ใช่อะนี่ต้องเป็นสมถะชนิดหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยรู้จักรู้ว่าเป็นสมถะแล้วก็ไปกราบหลวงพู่เทศบอกหลวงปู่ครับจิตผมเดินอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ผมคิดว่ามันเป็นสมถะ หลวงปู od, ่บมันก็เป็นสมาธินั่นแหละเป็นสมถะแต่ว่ามันไม่มีใครเล่นแล้วยุคนี้ไปฝึกไว้ให้ชำนาญนะจะได้มีคนรู้เรื่องพวกนี้เอาไว้ก็กราบเรียนท่านบอกหลวงปู่ครับผมกลัวจะติดสมาธิท่านบอกไม่ต้องกลัวถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองท่านท่านพูดอย่างนี้เลยนะเห็นท่านบอกงี้เราก็เล่นใหญ่เลยคล้ายอาจารย์เชีย เล่นเล่นเล่นไปเล่นจนพลือนอ่ะไม่เดินมีปั ส, สนาละไปเล่นสมาธิอยู่เจอหลวงปู่บุญจันทร์โดนท่านดา่าท่านไม่รู้จักหลวงพ่ อ, อ, อใช้คําผิดหลวงพ่อไม่รู้จักท่านแต่ท่านรู้จักหลวงพ่อนะรู้อย่างน่ากลัวที่สุดเลยหลวงพ่อไม่ได้คิดจะไปหาท่านเพราะไม่เคยรู้จักหลวงพ่อจะไปที่วัดสันติธรรมที่เชียงใหม่ เียไปหาอาจารย์ทองอิ น, นลูกศิษย์หลวงปู่สิมรู้จักกันท่านภาวนาดีคุยกันรู้เรื่องพอ mm. ไปถึงวัดสันติธรรมเนย mm. มีพระหนุ่มหนมองหนึ่งมายืนดักอยู่หน้าวัด mm. ไปเนี่ยมืดละว mm. ันนั้นมันไฟดับนึกย่างมืดตืดอเลยไม่มีไฟสักดวง พระที่มายืนเนี่ยท่านบอกว่าอาจารย์บุญจันทร์ลงไปจากถ้ำผาพึ่งมาพักอยู่วัดสันติธรรมเนี่ยให้หลวงพ่อเข้าไปหาหน่อยหลวงพ่อบอกมันค่าแล้วแล้วหลวงพ่อไม่เคยรู้จักไปหาไม่รู้จะหมอหรือเปล่านะแล้วอย่างเราตั้งใจมาหาอาจารย์ทองอินขอไปหาอาจารย์ทองอินคุยกับอาจารย์ทองอินร่วมชั่วโมงนะออกมาเนี่ยมืดแล้วดึก ดึกของแม่นอกกันนะเราเราสามทุ่มอะไรเงี้ยดึกพระองนั้นยังยืนอยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินหนาวเยือกเลยนะก็ยืนทนอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วท่านก็บอกว่าไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยหน้านรบเราเราโอ้โหองนี้สุดยอดเลยเว้ยยอดตื่นเอาไปเข้าไปสงสารท่านนะไปเข้าไป ขึ้นไปกุติเป็นกุติไม้เล็กๆขึ้นไปถึงเนี่ยที่ระเบียงแคบๆนะมีตังอยู่ตัวง จ, จันบุญจานาภาพาดอยู่ท่านลงมาวัดสันติธรรมเนี่ยเพื่อจะมาหาหมอกําลังป่วยอากาศก็หนาวนะท่านนอนคุ้มโปงอยู่พอหลวงพ่อขึ้นไปนะท่านต้องออกมาจากที่คุ้มโปงลุกขึ้นนั่งเลยกราบเสร็จชี้หน้าเลยภาวนายังไง เล่าให้ท่านฟังภาวนาไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้นะท่านตบวาทเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะ่ายแล้จะภาวนายังไงอีกหลวงพ่อฟังสำเนียงท่านนะไม่ค่อยออกนะก็เลยคิดว่าท่านฟังสำเนียงเราไม่ออกเหมือนกันนะก็เล่าซ้านะเนื่องท่านยังฟังไม่ออกเล่าซ้าที่เราภาวนาอย่างนี้อย่างนี้ท่านตบวาดครั้งที่2เลยเฮ้ย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 พอท่านหัวล้อหลวงพ่อก็หัวล้อบ้างเรียกว่าโดยเสด็จนะพอเราหัวล้อนะท่านหยุดขึ้นเลยหันมามองหน้าเราคล้ายๆทะลึ่งชิบหายเลยนะมันมาเรียนแบบครูบาอาจารยนะ์เรากําลังโอ้มีความสุขเราแก้กรรมาฐานตัวนี้ได้ลนะหัวล้อตามท่านท่านหันมามองปุ๊บหนึ่งหยุดนะท่านหยุดปุ๊บเลยอยูหย่หัวรล้ อ, อพอท่านหยุดหลวงพ่อก็หยุดเลยนะจิตเรราบ ไม่ก็เพิ่มสักนิดเลยท่านบอกเออใช้ได้ท่านทดลองเราว่าจิตเราจะวหวแค่ไหนเสร็จล้วก็ไม่เจอท่านอีกไม่เจอท่านอีกตอนก่อนจะบวชนะท่านมารณภาพหลวงพ่อยังไปงานเผาศพท่านนะที่ปักช่องท่านอยู่เชียงรายนะแต่ามาเผาศพที่ปักช่องแล้วพอมาบวชนะ พรรษาที่สามผ่านไปแล้วในพรรษาที่สี่มีคนมาจากเชียงใหม่รถตู้หนึ่งหลวงพ่อถามว่าเรารู้จักได้ไงตอนนั้นคนยังไม่ค่อยรู้จักหลวงพ่อบอกอาจารย์บุญจันทร์สั่งไว้ว่าเดือนนี้ปีนี้นะให้มาหาพระชื่อนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้บอกบุญจันทร์ไหนบอกบุญจันทร์ท่านผาพึ่งอะ่ะ เฮ่ยจะรู้จักได้ไงว่าเราชื่อนี้อยู่ตรงนี้นะเคยเจอท่านครั้งเดียวนั้นนะแล้วตอนที่ท่านมารณภาพหลวงพ่อยังไม่ได้บวชเลยหลวงพ่อยังไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่สวนโพนะเนี่ยเรามาบวชอยู่สวนโพนะผ่านพรรษาที่สามไปแล้วลูกศิษย์ท่านลงมาบอกจันบุญจันทร์สั่งให้มาเนี่ยท่านเก่งถึงขนาดรู้ชื่อเรานะรู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเมืออนะ่อไหร่ในเนี้ย เนียญาณทัศนาของท่านท่านเก่งหลวงพ่อไม่เก่งนะแต่หลวงพ่อมีครูบาอาจารย์ที่เก่งงัเวลาครูบาอาจารย์สกิดอะไรนิดเดียวนหลวงพ่อฟังทันทีเลยฟังด้วยใจที่เปิดด้วยใจที่อ่อนโยนน้อมทันทีเลยท่านท่านเหนือกว่าเราเร า, ามีกิเลสเรายัางเอาตัวไม่รอดท่านสอนให้บุญ น, นักหนาแล้วงั้นอย่าดือาาาด้อกับครูบาอาจารย์ถ้าดื้อกับครูบาอาจารย์เอาดีไม่ได้หรอก นี่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะเราดื้อกับท่านท่านไม่สอนเลยเยาว่าแต่จะดื้อกับท่านเลยะไปฟูงซ่านหน้าท่านท่านยังไม่สอนเลยเอย่างหลวงพู ด, ดูลเนี่ยถ้าอยู่เราไปเจอท่านเราถามโน่นถามนี่นะท่านก็ตอบให้คำสองคาแล้วท่านไม่พูดด้วยอะไรเลากบ้าพูดอยู่คนเดียวยไปหาหลวงพู ด, ดูลเนี่ยต้องไม่พูดไปนั่งภาวนาต่อหน้าท่านนั่นแหละแล้วท่านสอนเอง นั้นเวลาไปหาครูบาอาจารย์นะเก็บเขียเข้ยวเก็บเล็บให้ดีใจอ่อนโยนอ่อนน้อมเวลาท่านมีธรรมะอะไรสมควรสอนเราท่านก็สอนท่านก็สอนให้เองท่านเมตตาแต่ท่านเห็นว่าใจเราไม่พร้อมอย่างใจเราฟารุ้งซ่านหรือใจเรากระด้างถือตัวอะไรเนี้ยท่านสอนไม่ไหวมีครั้งหนึ่งนะมียาตโยมกลุ่มใหญ่เลย ขึ้นไปดอยแม่ปังเคยได้ยินไหมดอยแม่ปังหลวงปู่อะไรหลวงปู่แหวนคนรุ่นนี้ไม่รู้จักแล้วหลวงปู่แหวนเมื่อก่อนบ้านหลวงพ่ออยู่เมืองนนนะข้างๆบ้านนะีะมีหลวงพ่อสร้อยนมีสร้อยมีแหวนมีหลวงพ่อทองนะมีคนขึ้นไปหาหลวงปู่แหวนะท่านนั่งเช่วยพ อ, ขอญาติโยมไปหมดแล้วนะ ลูกศิษย์ก็ถามท่านว่าทำไมหลวงปู่ไม่เทศเขาอลัตนนาให้สอนธรรมะหน่อยท่านก็เฉยเฉยไม่ยอมเทศท่านบอกว่าเทศไตก็เหมือนตักน้ำใส่หลังหมารู้จักไห ม, ไมเวลาเอาน้ำไปลาดหมาหมาทำไงน่ะทำถูกเลยฉะนั้นทำท่าเหมือนเลยแ <c oughs> สดงว่ารู้จักหมาธรรมะอุตสาหให้ไปมันสะบัดทิ้งหมดเลย งั้นไม่ใช่ท่านจะสอนง่ายๆนะหาครูบาอาจารย์ที่ท่านลองทดลองนะว่าจะสอนกว่าจะอะไรเพราะฉเวลาเราเจอครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านดุท่านว่าอะไรเนี่ยนะหลวงพ่อรู้สึกเป็นมงคลนะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยถูกดา่าอย่างเงี้ยเป็นมงคลเพราะเราถูกดุถูกดา่าแสดงว่าเรายังมีนคนที่สอนได้ ถ้าท่านไม่ดูไม่ด่าเนี่ยท่านตัดหางปล่อยวัดแล้วเป็นบัวใต้น้ำแล้วเอาตัวไม่รอดละหลวงพ่อปกติไม่ด่านะหลวงพ่อมักจะชมหลวงปู่เทศท่านเคยสอนไว้เขาทำดีนิดหน่อยก็ชมเขาเขาจะได้มีกำลังใจถ้าเอามาตรฐานสูงสุดไปตัดสินหนูพ่อนาเป็นไงไม่ได้เรื่องเลยยังมีกิเลสแล้วผมแล้วครับเฮย้ยก็เหมือนกันเลยหวยแตกอย่างนี้ มันก็เลิกหมดอะไม่ภาวนานะท่านบอกเขาดีอะไรนิดนิดหน่อยๆชมใหมนะ้เขาจะได้มีกําลังใจงั้นหลวงพ่อชมอย่าเลงนะคนในที่หลวงพ่อชมเนี่ยเจ๊งทุกรายเลยเพราะอะไรพอหลวงพ่อชมว่าดีนะอยากจะดีตลอดไหมความอยากเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มบังคับตัวเองนะแทนที่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ไปเริ่มบังคับกายบังคับใจ ่ใช้ไม่ได้นะจะเสียไปช่วงหนึ่งเลยภาวนาไม่เป็นไปช่วงหนึ่งเลยแล้วค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาตอนที่ฟื้นตัวขึ้นมาคราวนี้ดีกว่าคราวก่อนนะมาหาหลวงพ่ออีกที่หนูภาวนาเป็นไงเออดีดีก็พังไปอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็พอฟื้นตัวมันก็ค่อขึ้นมาอีกนะสนุกไหม วันนี้เด็กเยอะเต้องเล่านิทานหน่อยนะหลวงพ่อสอนเด็กไม่เป็นหรอกเพราะตอนหลวงพ่อเด็กๆเกนะี่ยครูบาอาจารย์สอนแค่หายใจเข้าพูดหายใจออกโธเท่านั้นนะ่ะไม่ได้สอนอะไรเยอะแต่หลวงพ่อทำท่านไปเรียนครั้งแรกอายุเจ็ดขวบเองนะอายุเจ็ดปีเรียนกับท่านพ่อหลีท่านจับใส่ตักนะท่านท่านก็สอนเลยนะ หายใจไปนะ้าหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกพุทโทไปนับสองนับสาไปอย่างเงี้ยท่านสอนตั้งแต่วันที่ท่านสอนเนี่ยทำตลอดเลยนะไม่มีวันไหนที่ไม่ทำํำตอนเด็กๆนะวันเกิดวันปีใหม่อะไรเนี่ยจะเลือกผ้าเช็ดตัวสีเหลืองๆต้องสีเหลืองเท่านั้นนะสีอื่นไม่เอา นะเอามานั่งห่มนะแล้วก็สวมดมนต์อย่างเงี้ย น, นะใจมันชอบอะ่ะมีอยู่คราวหนึ่งนะผู้ใหญ่ก็ซื้อผ้าไตรมาเราเห็นผ้าไตรเขาจะไปถวายพระวันพรุ่งนี้นะวันนี้ซื้อมาบ่ายแล้วยังไม่ได้ถวายหรือว่าเห็นผ้าไตรนะอู้รักจังเลยนะอยากได้นะเขาบอกว่าเขาจะไปถวายพระเราบอกเราขอไว้คืนหนึ่งก่อนะ ไว้นอนข้างๆเราเนะี่ยวางไว้ข้างๆนอนอยู่กับผ้าไตรแล้วตอนเช้ามืดนะตอนเช้าอ่ะเจ็บที่เท้าผู้ใหญ่ไปดูวุ mm ้ย hmm. นี่รอยหนูแทะเนี่ยบากเอาผ้าไตรมาเล่นนะทำเอาเรากลัวผ้าไตรเลย <laughs> ใจมันใจมันพร้อมนะมันน้อมไปหาการปฏิบัติ นะการบวชอะไรเงี้ยตอนสักสิบขวบไฟไหม้หน้าบ้านนะตกใจเห็นไฟไหม้บ้านเป็นตึกแถวมันไหม้ถัดไปสีห้าห้องนะไฟไหม้ลุกขึ้นได้วิ่งเลยจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ก้าวที่หนึ่งไม่รู้ตัวก้าวที่สองไม่รู้ตัวพอก้าวที่สนะเหมือนเปิดสวิตช์จากข้างในนะสว่างพลึบออกมาเลยนะรู้ตัวเลยเห็นความตกใจเนียกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะเกินดับให้ดูทันทีเลย จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเด่นดวงขึ้นมาตั้งแต่นั้นเลยแล้วก็เดินไปบอกผู้ใหญ่ว่านี่ไฟไหม้แล้วคร น, นี้ดูคนอื่นตกใจนะเราเป็นผู้ดูเราไม่ตกใจเราดูเขาตกใจแต่เสร็จแล้วก็ลืมลืมไปอีกมาตอนหลังมาภาวนานะแยกแยกแยกไปเรื่อยนะจนกระทั่งเหลือแต่จิตดวงเดียวพากลับมามีกาย ก็เห็นกากับจิตแยกกันเลยจิต้็เด่นดวงเป็นผู้รู้อยู่เนะสร็จแล้วก็ไปต่อไม่เป็นจิตเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆกนะ็ไปเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตดูทีแรกดูผิดที่ไปรักษาตัวผู้รู้ไวนะ้แล้วปล่อยให้มันทํางานนะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงถือจะเกิดปัญญาภาวนาทีแรกตอนที่ทําสมาธินั้นมีแต่ความสุข นะแต่พอภาวนาเจริญปัญญาเนี่ยเห็นแต่ทุกข์นะเพราะน้นถ้าภาวนาแล้วโอ้สุขจังเลยสุขจังเลยไม่ได้เรื่องหรอกพวกที่สุขจังเลยเนี่ยมีอีกพวกหนึ่งคือพระอราหารันตะ์มีครูบ า, าอาจารย์งหนึ่งนะหลวงพ่อไปนั่งอยู่ข้างท่านหลวงปู่สุวัตท่านเป็นอมาพารนะกระทั่งจะกลืนน้าลายังทําไม่ได้ต้องมีเครื่องดูดอยู่เรื่อย เราก็นั่งอยู่ข้างๆท่านอยู่กันสองคกสองคนท่านองค์หนึ่งเราคนหนึ่งท่านก็ปรารบธรรมะขึ้นมาเห็นไหมอยู่กับท่านกับครูบาอาจารย์เงียบๆไหมท่านก็ปรารบขึ้นสุขแท้นอสุขแท้นอหลวงพ่อหันไปดูท่านหลวงปู่กระทั่งกลืนน้ำลายยังไม่ได้เลยเดินก็ไม่ได้ทำไมว่าสุขแท้นอ ถ้าผมเป็นอย่างหลวงปู่นะผมจะร้องว่าทุกแท้นอทุกแท้นอนะนร <c oughs> ือย่างนี้นะฮะทำไมท่านสุขอย่างนั้นนะแล้วดูท่านสุขจริงๆนะเราเนี่ยโศกโปรกโรคลุงรังไปหมดนะไม่ดีเหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านที่พานาสุดฉีดไปแล้นะท่านมีความสุขมหาศาลนะแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยท่านมีแต่ความทุกข์นะหลวงปู่เทศถึงขนาดบอกเลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรม ถ้าไม่เห็นถูกไม่เห็นธรรมถ้ามีความสุขเพลินอยู่นี่แนะ้ละผิดแน่นอนต้องรู้ตัวเลยว่าผิดแน่นอนนะเหมือนที่หลวงพ่อรู้ก็ใจว่างสว่างเงี้ยผิดแน่นอนจนะผิดยังไงตอนนั้นไม่รู้หลวงตาบอก ก, ก็รู้เลยนะไม่กี่นาทีหรอกหายใจอยู่ไม่กี่ครั้งก็รู้ละ ว, ว่าผิดยังไงสมาธิไม่พอจำไม่นาะวิปัสสุทั้งหมดเนี่ยเกิดจากสมาธิไม่ถูกนะ ส่วนนิมิต ท, ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากสมาธิไม่เต็มสมาธิไม่เต็มหมายถึงนิมิต ท, ทั้งหลายมันไม่เกิดในอัปปนาสมาธิหรอกมันเกิดในอุปจาระยังไม่เต็มถึงอัปปนานะแต่ในวิปัสสุวิปัสสุนีน่มันเกิดจากสมาธิผิดจิตไม่เข้าฐานนะจิตไม่เข้าฐานหรือเข้าก็แบบเพ่งเอาไว้นะไม่ถูกง น, ะนันต้องฝึกนะฝึก อย่างคนที่เป็นวิปัสสนูติดวิปัสสนูอยู่นะแล้วถ่ายทอดธรรมะออกมานะมันมีกระแสของตัวมืดนี่ออกมาด้วยนะใครไปฟังธรรมะที่คนนี้แสดงออกมาเนี่ยจะมืดตามไปเลยนะเพราะธรรมะเนียมันเรียนจากจิตสู่จิตถ้าจิตของผู้แสดงมืดสักอย่างเดียวนะคนฟังมืดทั้งทีมเลยรนะ้อยคนก็มืดร้อยคนเลยพวกเราสังเกตไม้มฟังหลวงพ่อเนี่ยเราตื่นเราสว่าง ไม่ต้องฟังตัวจริงหรอกนะฟังยูทู e ก็เป็นนะเพราะหลวงพ่อเทศด้วยใจที่มันสว่างนะไม่ใช่ใจที่มืดมัวนะเวลาเข้าใกล้หลวงพ่อจะรู้สึกตัวง่ายนะง่ายกว่าความเป็นจริงนะง่ายกว่าความเป็นจริงนี้เราอาศัยจุดที่ว่ามาอยู่ใกล้หลวงพ่อหรือฟังธรรมะหลวงพ่อแล้วรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยอาศัยจุดนี้แหละดูกายดูใจของตัวเองไป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 จะ ก, กลายเป็นสัตธรธรมปฏิรูปโดยอัตโนมัติสัตธรรมปฏิรูปคือธรรมะปลอมโดยอัตโนมัติเลยนี่เวลาวิปัสสนูเกิดนะปุถุชนจะขึ้นเป็นพระโสดาก็ต้องผ่านวิปัสสนูพระโสดาจะผ่านขึ้นไปสกิทาคาก็ต้องผ่านวิปัสสนูสกิทาคาจะผ่านไปสุ่ า, าคาก็ผ่านวิปัสสนูอนาคาจะผ่านขึ้นพระอรหันต์ก็ต้องเจอวิปัสสนู นะเงินไม่ใช่เรื่องต้องตำหนิตีเตียนนะเพียงแต่ว่าช่วยบอกกันได้ก็บอกนะแต่ว่าแก้ยากเวลาเป็นวิจัสเนืบางคนเนี่ยจะแรงนะจริงถ้าเซลลจัดหน้าแรงแก้ยากมากนะถ้าไม่เซลลจัดใจอ่อนกับครูบาอาจารย์ท่านสกิล น, นิดหนึ่งจะเฉลียวใจละเฉลียวใจแล้วมาสังเกตสมาธิเราพลาดตรงไหนไปดูให้ดีเถอะมันพลาดที่สมาธิผิดนะ ไปดูเอานะนตอนที่ยังแก้ไม่ตกเนี่ยอย่าเผยแพร่เยอะอันตรายมากเลยเสร็จแล้วจะต้องตามใช้หนี่นะไปสอนคนไว้มืดไปหมดนะต้องตามใช้หนี่วันนี้เทศมายาวนานพอสมควรแล้วใครมีกันบ้านจะส่งพวกอยู่วัดมีไหมเอาส่งใหม่ไป อาว่ามาตามนริตการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านเมื่อวานนี้ก็ดูจิตแล้วก็ดูลมหายใจต่อไปอะค่ะแล้วสังเกตว่ามีช่วงที่จิตไปยึด ก, กับความกลัวกับความเศร้าช่วงนั้นจะรู้สึกว่ามันอึดอัดมากเลยอะค่ะถ้าไมมันอึดอัดถูกไหมมันมันทุกข์ในใจเรียกมีโทมนัสนะความกลัวความเศร้าเนี่ยเป็นกิเลสตระกูลโทศัก เวลาโทสะเกิดเนี่ยจิตใจจะเศร้าหมองไม่สบายอึดอัด น, นะหรืออิจฉาเนี่ยจิตอึดอัด น, นะขี้เหนียวหวงของเนียจิตอึดอัดเนี่ยตระกูลโทสนะเพราะฉะนั้นเวลาที่โทสะเกิดเนี่ยจิตไม่สบายหรอกอันนั้นถูกแล้วแล้วพอรู้สึกตัวก็กลับมากําหนดที่ลมหายใจใหม่อ่ะค่ะก็กําหนดลมหายใจเข้าออกก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นอันนี้ถูกต้องไหมคะอันนั้นหนีไปหาสมถะ นะเวลาปฏิบัติมันมีสองอันสมถะกับวิปัสนาอย่างสมมติว่าความกลัวเกิดขึ้นนะเราดูไปที่ความกลัวเห็นความกลัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันเนี้ยเราใช้วิปัสนาแต่ถ้ามันกลัวมากดูแล้วก็ไม่หายนะสติจะแตกอยู่แล้วก็ใช้สมถะมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจไม่ไปคิดเรื่องที่ทําให้กลัวอย่างบางคนกลัวผีนะ ยิ่งกลัวผียิ่งชอบคิดเรื่องผีแล้วก็ชอบฟังเรื่องผีด้วยนะใครเป็นบ้างกลัวผีแต่ชอบฟังเรื่องผีชอบดูหนังผีเนะนี่ยเป็นโรคไม่อยากบอกโรคจิต ด, ด้วย <laughs> นี่พอคิดถึงผีก็ยิ่งกลัวนะพอแทนที่จะคิดถึงผีมาคิดถึงพุทโธพุทโธนะ พุทโธเร็วๆหน่อยพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะไม่ให้ใจหนีไปคิดเรื่องผีนะความกลัวผีก็หายไหมอันนี้เป็นสมถะในการหนีเรื่องเปลี่ยนอารมณ์ซะมาอยู่ในอารมณ์กรรมฐานแทนสงบอยู่ในอารมณ์กรรมฐานไม่หนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยจิตสบายอันนี้เป็นสมถะเพราะฉะนั้นถ้าหากเรากลัวผีเราดูไปที่ความกลัวนะเราเห็นความกลัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ดูดูดูเข้าไปเลย แต่ถ้ากลัวจนทนไม่ไหวใกล้บ้าแะ้ะกลับมาทําสมสถะบางคนนะชอบจะไปภาวนาตามวัดตามอะไรเงี้ยต้องพกพระไปด้วยไม่รู้หรอกว่าในพระนะั้นบางทีมีผีอยู่น ะ, นะมีผีอยู่ในพระก็มีนะผีมันก็ชอบความร่มเย็ น, นมันก็ม้ดน ม, มุดอยู่ในพร ะ, น ะ, นะแล้วบางบางสำนักนะเขาเอากระดูกผีมาปนนะ ใส่ปั้นเป็นพลางขึ้นมาแล้วอันนี้เราสู้ผีได้จักกรรมผีแน่นเลยนะผีไม่คงงงเป็นที่หลังกลัวก็ดูก่อนนะอย่าเพิ่งหนีอย่างเดียวสู้ไม่ได้ถึงจะหนีเหมือนอั่างเราอยู่ในโลกเราเห็นหน้าคนนี้เราโกรธเราโกรธเราดูโกรยก่อนอย่าเพิ่งเดินหนี พรูบาจารสมัยท่านหนุ่มๆท่านทุดงไปไปเจอผู้หญิงสวยท่านสู้ไม่ไหวล้วอยากศึกเต็มทีแล้วท่านหนีนะพิจารณาทีแรกก็หนีด้วยกันทําสมถะพิจารณาปฏิกูนาสุภาพผู้หญิงสมกโรกไม่สวยไม่งามแต่มันก็ดีเหมือนกันนะเน <laughs> ี่ยใจมันจะวกไปอย่างนี้นะสุดท้ายสู้ไม่ไหวหนีย้ายที่เลยว่ากรดว่าบาดหนีไปอยู่ที่อื่นเลยเอาตัวรอด มันหนีด้วยสมถะไม่พอก็เดินหนีไปเลยอย่างเราเห็นหันนี้เกลียดมันจะชกมันละจะตบมันละนะพุโทโธพุโทโธก็ไม่หายนะทำสมถะก็ไม่หายแผ่เมตตาก็ไม่ไหวรู้สึกเมตตาไม่ไหวหจังไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ก็เดินหนีเห็นไหมมันก็มีแนวรุกแนวรับนะของการปฏิบัติทำวิปัสสนาได้ทำวิปัสสนาไม่สำเร็จใช้สมถะสมถะก็ไม่ไหวจริง หนีเลยเปลี่ยนอารมณ์ไปนะแต่อย่าหนีบ่อยถ้าหนีบ่อยเดี๋ยวเคยตัวอย่คห น, น, นีตลอดใช้ไม่ได้อขอพระคุณหลวงพอ่อใครจำเป็นขอจำเป็นจริงๆนะนะมีเวลาสิบห้านาทีากาบนมัส ก, การหลวงพ่ อ, อว่าไปเมื่อวานไปหาความรู้เพิ่มเติมใช่ครับจากหนังสือของหลวงพ่อเกี่ยวกับการพิจารณารูปนามนามมาทำ เหมือนกับมือไม่ใช่มือเป็นวัตถุธาตุอย่างเดียวมือเป็นรูปธรรมน้าไม่ใช่นามอ่าครับคือการพิจารณาในส่วนน้นะครับผมควรจะใช้หลักการเดยพิจารณาทีแรกก็คิดเอานะทีแรกก็คิดเอาว่นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราผมไม่ใช่เราขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกไม่ใช่เราอะไรเงี้ยแล้วพอจิตมันมีสมาธิขึ้นมามันเห็นเองว่าร่างกายไม่ใช่เรานะตรงที่ยังคิดอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนา นะแต่เป็นการกระตุ้นให้จิตมองไตรลักษณ์เมื่อถ้าจิตยังไม่เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ก็คิดมันเป็นไตรลักษณ์ซะก่อนแต่อย่าคิดจนเคยตัวคิดทุกวันไม่ใช่พอจิตมันดูได้เองแล้วก็ไม่ต้องไปคิดยังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสนาแสดงว่าผมควรจะใช้สมาธิในการพิจารณาใช่ไหมใจมันกระจายออกห้านอกดวออกไหม มันกว้างๆออกไปข้างนอกอะ่ะให้ใจเข้าบ้านก่อนครับถ้าใจอย่างนี้ไปพิณามมันเลื่อนลอยอมันหลงอยู่ในโลกของความคิดเลยครัหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวไม่หายใจเข้าแล้วดึงจิตนะไม่ดึงตอนนี้ดึงละแค่หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวนะเดี๋ยวจิตมันเข้ามาเองถ้าเราไปดึงมาจิตจะแน่นใช้ไม่ได้ะ ไปทำเอานะให้ใจเข้าบ้านใจเข้าบ้านแล้วก็ดูกายดูใจอะไรก็ดูไปถ้าใจเข้าบ้านแล้วเฉวยตรงนี้แหละที่จะต้องคิดพิจรารณาครับนี้บางคนใจเข้าฐานปุ๊บเห็นไตรลักเลยเห็นรูปธรรมนามธรรมแสดงแต่ลักษั์นไม่ต้องคิดแล้วขอบคุณครับก็พยายามดูมาละเป็นสิบ ป, ปีอะค่ะ แล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันก็จะเห็นมัวมัวบ่อยอะค่ะมัวมัวเป็นโมหะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเห็นสภาวะเป็นแล้วนะแต่จุดสำคัญคือไม่เป็นกลางกับสภาวะนะงินให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบส่วนใหญ่จะเป็นใจไม่ชอบ คือเมื่อก่อนก็รู้สึกตัวเองโทสะเยอะตอนนี้ก็เห็นความโลภ ม, มันเยอะแล้วก็ตัวทิถีอะคะ่ะหลวงพ่ อ, อมแรงมาเออตัวไหนแรงขึ้นมาก็ดูตัวนั้นแหละนะปัญหา<น>คือในหลวงที่ผูกก่อนนะ <laughs> ก็เคยถามหลวงปู่ดูลว่าจะดูจิตนะั้นจะดูกิเลสตัวไหนก่อนหลวงปู่บอกตัวไหนปรากฏขึ้นมาก็เอาตัวนั้นแหละเพราะฉะั้นกิเลสตัวไหนโผล่ขึ้นมาให้เราดูก็ดูตัวนั้นนะ่ะทุกตัวสอนธรรมะเดียวกัน คือมันอยากให้หลวงพ่อเคาะนะคพะพอดีคนใกล้ตัวบอกว่ามาวัดเป็นสิบปีเราไม่เห็นจะดีขึ้นเจ็บใ จ, ใจไหม <c oughs> ไม่เห็นแปลกเลยบางคนมายี่สิบปียังไม่ดีเลยนะ <c oughs> บางคนสามสี่สิบปีก็มีนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีเพิ่งเกืบสิบปีเวลาสะสมกิเลส น, นะกี่อาสงไขก็ไม่รู้มนะ ค้าวาัดสิบปีแม้จะเอาดีแล้วใจเย็นๆไม่รู้เหรือว่าตัวเองดีขึ้นเท่าไหร่แล้วเราก็บอกเขาว่าเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแต่เขาบอกว่าเรายังเถียงอยู่อ่ะบอกเถียงนนะ่ะเป็นวาสนาบอกเขา่างี้นะออมันห้ามไม่ได้หรอกมันเคยชินเนะ บอกเขานะว่าไม่ใช่กิเลสหรอกที่เถียงเนี่ยฉันเห็นเวลามีมานาตาฉันเห็นแต่มันต้องเถียงนะเพราะมันเคยชินไปบอกเขานะบอกไปเรียนธรรมาให้ดีนะเอ อ, อย่าเข้าใจผิดรู้เปล่าว่าเราเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนค่ะว่ากิเลสตัวหยบยาบรู้สึกว่าเห็นทันขึ้นอืนั่นแหละความเจริญของเราอยู่ที่รู้ทันกิเลสตัวเองนะรู้ทันกิเลสตัวอื่นไม่เจริญหรอก กล่าบนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะอืมมาจากอุบล น, นะคะออืม่าหลวงพ่อให้หนูไปสวดมนต์ตะเตรียมปิให้หนูสวดมนต์แล้วก็หนูมาส่งกันบ้าเมื่อสามเดือนที่แล้วหลวงพ่อให้หนูไปดูกายเพิ่มอืมตอนนี้หนูจะถามหลวงพ่อว่าหนูควรทําอะไรเพิ่มอีกไหมคะนั่นแหละสวดมนต์มันก็ได้สมาธินะเป็นสมถ ะ, ะแล้วเราก็ดูกายไป กลายเป็นของน่าดูนะเพราะเรารักกายเยอะคะเรารู้สึกกายเราสวยๆอะไรเงี้ ย, ย, ย น, นะดูมันไปบ่อย ๆ, อยๆนะรู้สึกไหมรู้สึกค่ะ เ, ออเราเนี่ยสวยจริงๆเลยโดยเนี้ยนะ <laughs> นี่ก็สวยนี่ก็สวยเนะนี่ยดูกายไเรื่อยๆนะะแล้วจิตมันจะพัฒนาของหนูดีขึ้นเยอะแล้วทีแรกที่ให้สวดมนน่ะนะก็เพื่อจะได้สมาธิ พรได้สมาธิมีกําลังขึ้นมาแล้วนะมาพิจารณาร่างกายก็นะใจมันคล่องตัวในการดู ก, กายแล้วแล้วก็ใจตั้งมั่นแล้วก็เห็นกายมันทํางานไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเหรอกร่างกายนี้มีความทุบบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะความยึดถือในร่างกายมันจะลดลงลดลงฝนะึกตัวนี้แหละเอาให้เยอะเยอแล้วหนูยังต้องคือตอนนี้หนูสวดมนต์เป็นหลกักค่ะ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 หนูหนูสังเกตว่าพอหนูดูกายแล้วหนูจะไปเห็นความบีบคั้นที่กลางอกอะค่ะหนูควรจะดูตรงนี้หรือว่าหนูจะดูแบบที่หลวงพ่อหนูหนูหนูถ้าไปเห็นเข้าไปที่จิตกลางอกได้ก็ดูที่จิตเลยอ๋อค่ะที่ดูกายเนีนะเพื่อวันหนึ่งจะเห็นจิตนี่หนูพาสจากกายมาที่จิตได้เร็วแต่อย่าไปจ้องนะทุกวันหนูต้องนับหนึ่งใหม่ คือไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ดู ก, กายแล้วมันจะเห็นความไหวที่จิตขึ้นมาค่ะ<ฆ>นะพอมันไหวขึ้นมาแล้วเวลารู้มันเนี่ยอย่าให้จิตเราไหลลงไปอยู่ที่กลางอกนะให้<ฆ><ฆ>จิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ตะหากนะโดยที่เราไม่ได้ดึงเอาไว้ด้วยนะไม่ดึงเอาไว้ไม่ปล่อยให้ไหลจมลงไปกลางอกค่นะหนูเคยเห็นแล้วมันทุกข์แล้วหนูก็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 กุศลนะกุศลนะผุดขึ้นกลางอกทั้งนั้นแหละแต่ว่าอย่าเฝ้านะอย่าจ้องน ะ, ะให้มันผุดแล้วค่อยรู้นะตรงนี้ดูลำบากนิดนึงกบขอบคุณค่ะดีภาวนาดีทุกวันเริ่มต้นนับหนึ่งนะคือสวดมนต์วันนี้ช้ามากเลยสิบนาทีได้สองคนเอง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 เคยมีจิตตั้งมั่นขึ้นมามเห็นร่างกายกำลังหายใจและมีอีกครั้งหนึ่งเห็นจิตทางานเอง อ, อยากทราบว่าเขาเดินปัญญาในระดับใดและขอคาขแนะนำสำหรับช่วงนี้ค่ะปัญญามันไม่เดินทั้งวันหรอกนะเมื่อไหร่มีสมาธิถูกต้องปัญญามันก็เกิดนะมันเป็นคราวๆหรอกมันไม่ได้เกิดทั้งวันเพราะฉะนั้นะ เ, วเวลาจิตมันเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราอะไรเงี้ยมันก็เดินปัญญา สั้นๆแล้วมันก็มารู้ตัวอยู่มาภาวนาอยู่อันนั้นได้สมาธิภาวนาปฏิบัติไปอย่างเนี้ยแล้วต่อไปปัญญามจะค่อยๆถี่ขึ้นเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทีแรกนานๆเกิดทีหนึ่งนะหลวงพ่อหัดทีแรกอ่ะตั้งเจ็ดวันนะถึงจะเกิดปัญญาทีหนึ่งนะแล้วค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดปัญญาได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นไม่ต้องรีบมีปัญญาหรอกนะ ให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปดูกายทํางานดูใจทํางานไปเดี๋ยวปัญญากเกิดเองมันจะเห็นเนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกก็มาเองไปเองไม่ใช่ตัวเรานะตรงที่มันเห็นนะ่นมันเห็นเองเราไม่ได้เจตนาจะเห็นถ้าเราจงใจเห็นไม่เห็นหรอกนะนั่นเราทําอย่างที่ทํานั่นแหละถูกแล้วนะแล้วปัญญามจะเกิดเองกลับนมัสการหลวงพ่อครับ เคยเป็นนับเพ่งมาก่อนครับเออปัจจุบันนึกคิดว่าตัวเองเพ่งน้อยลงครับถูกก็วนาะได้ดีขึ้นนะครับไอ้ที่เพ่งไว้ไม่ได้เสียหลายอะไรหรอกมันเสริมกําลังให้เรามีกําลังที่จะดูสภาวะได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้นนหะลวงพ่อติดสมาธิอยู่ยี่สิบสองปีเอามาเจอหลวงปู่ดูลมาดูจิตเกิดดับเนี่ยหลวงพ่อดูจิตเกิดดับโดยไม่ต้องทําสมาธนะิสองปี นะกำลังสมาธิที่ทำไปแล้วแล้วพอมันเสื่อมไปเรากลับไปทำสมาธิแป๊บเดียวก็กลับมาแล้วของโยมพื้นฐานสมาธิดีแล้วนะถัดจากนี้ก็เดินปัญญาไปดูดูจิตได้ดูจิตไปเลยเห็นจิตมันทำงานได้เองนะถ้าดูจิตไม่ออกดูกายไกยนี้ไม่ใช่ตัวเรากายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราของเราดูไปเรื่อยๆใช้ได้ดีก็ยัง ผมยังต้องทำสมถะมทำทุกวันมสมถะทิ้งไม่ได้กับแล้วตอนนี้สมถะที่ทำเนี้ยใช้ได้แล้วไม่ใช่มิจฉาสมาธิละไม่ใช่สมาธิซื้อบือ้อละนึกออกไหมเป็นสมาธิที่รู้ตื่นเบิกบานทำทุกวันเลยนะ ครั้งก่อนหลวงพ่อให้ดูจิตเขาเห็นจิตวิ่งไปทางทวารทั้งหกทำให้รู้สึกชีวิตไม่มีความหมายอะไรทำอะไรก็ไม่ชอบอทำยังไงดีให้รู้ทันวนะ่าถูกอารมณ์ครอบงานะใจยังไม่เป็นกลางนะที่ภาวนาอยู่เนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะเราสามารถภาวนาได้ดีมากๆเลยต่อไปนี้เวลาใจมันเกิดเบื่อหน่ายอะไรขึ้นมานะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตเนี่ย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 เฝ้ารู้เฝ้าดูไปภาวนาได้ดีมากๆเลยนะภาวนาได้ดีแล้วล่ะนะสมาธิดนะีจิตตั้งมั่นถูกต้องแล้วนะนี่เราเห็นสภาวะทั้งหลายสภาวะที่เห็นเป็นสภาวะที่ละเอียดมากคือเราเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเห็นไหมไปทางตาเกิดแล้วดับเกิดจิตที่รู้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 ในสุดใจเราจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางด้วยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะสุขทุกดีชั่วเนี่ยเสมอกันหมดในความรู้สึกเลยเพราะเป็นของที่ยึดถือไม่ได้ไม่ควรยึดถือทั้งสิ้นเลยใจมันเห็นเองถ้าเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้มกผลในชีวิตนี้ก็เกิดขึ้นละภาวนามาถึงตรงนี้แล้วเส้นทางที่เหลือเนี่ยไม่ยากลาบากเท่าไหรล่ละนะแต่จะต้องใจเย็น ถ้าอยากได้ผลเร็วๆนี้เราจะพังหมดเลยนะต้องเริ่มต้นน้ำหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นอย่าโลภคนนี้ภาวนาสะใจนะบางคนพูดดีนะพูดตรงตำลาไปเลยแต่จิตมันไม่ใช่มันดีแต่คำพูดนะอันนี้ก็ไม่สะใจฟังแล้วจืดๆนะบอกเนี่ยดิฉันเห็น ตัวผู้รู้ไม่ควรยึดถือฝังแล้วจื้อจืดกูเทียดยึดอยู่เต็มที่เลยบอกไม่ยึดนะเอาในมรสการครับว่าไปีที่แล้วผมมาส่งการบ้านแล้วก็หลังจากที่เห็นกายได้าสาระไปแล้วหลวงพ่อให้การบ้านมาสองข้อครับก็คือให้ไปดูกีเลสกับตันหาอืมผมไปดูทีนี้ผมก็ไปทําการบ้านหลังจากที่ผมปฏิบัติอยู่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 ผมก็อะความกลัวผมก็เข้าใจอยู่แล้วว่าความกลัวเนี่ยมันทำให้เกิดผมก็เลยบอกว่าแล้วกลัวอะไรล่ะทำไมถึงกลัวมันบอกตอบมาแบบชัดถ้อยทัดคำเลยว่ากลัวการไม่มีตัวตนดีผมก็พอออกมาผมมันมันแทบจะร้องเลยครับว่าเออทำไมมันถึงขนาดนี้จิตเรามีสมาธิที่ ท, ที่ดีนะมีสมาธิที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาปัญญาเกิดเนี่ยมันตรงเป๊ะเลย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 ตัวเราหายไปอย่างนั้นล่าอะไรเนี้ยเสียดายทีนี้ในชีวิตไปดูไปดูอีกนะครับในชีวิตประจำวันผมก็มาดูโดยปกติครับให้ให้เห็นว่ามันทำงานยังไง ม, มันแค่ว่าเกิดดับเกิดดับคืออะไรเกิดขึ้นกิเลสตัวไหนเกิดขึ้น ม, มีอยู่ครั้งหนึ่งผม โดยปกติแล้วผมต้องยอมแล้วว่าผมกับบางครั้งผมว็จะหนีก็คือพอเห็นป๊อปผมก็หันหันหลบหันหลบแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมันหนักจริงๆก็คืออยู่ที่ทํางานครับน้องๆเขาเล่นกันแต่ผมต้องทํางานมันเกิดโทสะแรงมากผมก็เลยบอกโอเคผมหยุดทํางานผมไม่ลุกขึ้นหนีแต่ผมนั่งแต่ผมมาดูเลยจังหวะที่ดูเนี่ยมันจะเห็นเลยครับว่านี่คือการกระทบหูแล้วมันปุ๊บที่หูแล้วมันมันมันเป็นสเต็ปเลยครับว่าใช่นี่คือปุงแต่งนี่คือจําได้ไหมรู้นี่ปุ๊บปๆ๊แล้วก็เกิด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 มีหมอกอยู่ภายในอืมันเป็นหมอกเหมือนกับหมอกควันอือยู่ภายในครับที่ในในผมก็ดีเห็นถูกละวนะตรงที่เราเห็นเป็นสเต็ปสเ็ปเป็นช็อตช็อตชอตมานั้นนะเราเห็นวิธีของจิตครับการทํางานเนี้ยก่อนที่กิเลสจะเกิดเนี้ยผ่านกระบวนการมาตั้งเยอะหน่อเห็นไหมดีเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะครับแล้วต่อไปนี้อยู่ไกลไหมอยู่ทุ่งสงครับผมมากับรถหักใหญ่ครับ ถ้าไม่ได้มาที่นี่นะก็ฟัง YouTube หลวงพ่อนะไม่ต้องฟังของคนอื่นนะ uh huh. เดี๋ยวพลาดไป ลราภาวนาได้ละเอียดแล้วได้ดีแล้วครับนะแล้วก็การบ้านข้อที่สองผมไปเห็นตอนนั้นผมมีสภาวะเดี๋ยวก็คือเห็นเห็นว่าตายแล้วไปไหนอืทีนี้หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปเล่นห้ามเล่นผมก็ไม่เล่นครับคือเหมือนกับว่ายิ่งไปงานศพเนี่ยผมยิ่งแย่เลยครับอย่าไม่เข้าไปที่ในงานเด็ดขาดอืจนมายระยะหลังเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งมัน มันเห็นว่าคนเป็นเนี่ยมาจากไหนเออ<ม>เอาเรื่องเนาะมันมันค่อนข้า ง, งจะแย่ครับเพราะว่า <Hey. S 2> บางครั้งเนี่ยโอเคผมก็แค่หลบหน้าพอเห็นปุ๊บก็หลบเห็นก็หลบก็คือพยายามไม่ต้องเพ่งก็คือให้มาอยู่ที่กายเหมือนกับว่าพอเห็นปุ๊บก็ถ้ามากสุดผมก็ตีตีตัวเองให้รู้สึกเจ็บแล้วมันก็โอเคจบแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งผมขับรถอยู่แฟนเล่าเล่ า, เ ล, าเล่าถึงคนคนหนึ่งให้ฟังผมแค่นึกว่าทําไมเขาถึงนิสัยอย่างนี้อื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 ที่มันมานะ่ยมันมาอย่างไงแล้วมันตายอย่างไงทีนี้ผมก็เลยแบบดึงทั้งที่สอตอนนั้นคือผมจะอ้วกให้ได้นะครับ ม, มันแน่นไปหมดผมบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนคือมันจะอ้วกแล้วหยุดก่อนอให้ให้หยุดเล่าก่อนอให้ผมขับรถอยู่นะขับรถนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ก็รอดมาได้ครับ้ของพวกนี้นะถ้าเราใส่ใจสนใจให้ความสําคัญนะมันยิ่งชัดครับนะเราพยายามดูกายดูใจของเราไปสนใจเรื่องของคนอื่น ใช่นะครับหลวงพ่อตอนเป็นโยมังก็ไวอย่างนั้นแหละแต่ตั้งแต่บวชเนี่ยไม่รู้เลยนะเวลาผีจะมาหาเนี่ยผีต้องมีในหน้าต้องไปบอกคนอื่นก่อนนะแล้วก็มาบอกหลวงพ่อเนี่ยผีมาแล้วอะไรเงี้ยใจเราไม่เอาเลยไม่สนใจเลยอผมมีอยู่เรื่องครับอันนี้อันนี้คือผ่านมาแล้วนะครับคือไปรู้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมถ่ายรูปให้เขาแล้วผมมันมันวุบมาเลยว่า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 ผมว่าอย่างนั้นนะครับนั่นแทนที่จะดีนะอาจจะร้ายก็ได้ครับอาจจะติดลบมากขึ้นก็ได้ครับเราพอนานะฝึกตนเองดีแล้วค่อยสอนผู้อื่นค่อยช่วยผู้อื่นนะครับหลักที่ครูบาอาจารย์สอนนะฝึกตัวเองก่อนนะแม่ผมเชื่อครูบาอาจารย์ครับว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นครับให้ดูตัวเองดีกว่าใช่ครับไม่งั้นนามบางทีนะับ อย่างไอคนเนี้ยมันมีคั่วฆ่ า, าของมันอยู่คั่วฆ่ า, ากำลังจะหักคอมันแะล้เรารีบบอกเฮ้ยหาอะไรมาคล้องคอไว้ก่อนนะมันแทนที่จะหักคอไอนูอ่นหักคอเราแทนนะสุดท้ายนี่เรื่องของโลกอีไปยุ่งกับมันครับสุดท้ายนี้ก็พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาที่ปฏิบัติมาขอให้ท่าสังขารของหลวงพ่อรักษาไว้อยู่นานๆนะครับเป็นลมโพล้มไส้ ผมพูดมีทุลีน้อยครับอะไรน้อยนะทุลินทุลินในหลวงตาน้อยบแบบสันวนโบราณโบราณ <laughs> สาธุครับสาธุครับเออมีลูกศิษย์อย่างนี้หลวงพ่อจะอายุยืนมีลูกศิษ์ไม่เอาไหนนะเหนื่อยเห็นแล้วเบื่อนะงินตั้งออกตั้งใจภาวนานี่ดีมากๆเลยหลวงพ่อสอนบอกให้ไปดูกิเลสก็ดูจริงๆนะดูได้ละเอียดยิบเลยจนเห็นเลยกระบวนการที่กิเลสเกิด แต่ไม่ต้องเห็นตลอดนะเห็นเท่าที่เห็นนะถ้าอยากเห็นตลอดแล้วใช้ไม่ได้ครับเอาคนสุดท้ายหโหนี้เกินเวลาหลวงพ่นักมาตรการเนี่ยหลวงพ่ อ, พ อ, พอ น, นี่มาจากทางใต้นะคะชายแดนเลยค่ะเหรอมาจากชายแดนเลยเหรออจะมาถามว่าที่ปฏิบัติตัวนี้ไม่ทราบถูกไหมถูกปฏิบัติเถอะดูเมื่อวันที่สี่พฤษภานี่ค่ะที่ที่เจอ ของหลวงพ่ออะแล้วก็ปฏิบัติตามมาก็มันเห็นเป๋ะๆที่ที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อฟังไม่ค่อยได้ยินฟังได้ยินเป็นบางคำํำคือลูกปฏิบัติมาวันที่สี่พฤษภานนี้ค่ะเพิ่งเจอิที่นั่นหลวงพ่อค่ะซีดีค่ะพอพอเจอแล้วโอยทําไมจิตมันสวาน่างเหินตางเดินไปแก้วเลย่ก็ปฏิบัติมาเนี่ยค่ะยังไม่ทราบว่าผิดหรือถูก แล้วต่อไปนี้เราเริ่มเดินปัญญานะดูว่าทุกอย่างสอนมันไปเรื่อยๆว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวสอนมันอย่างนี้บ่อยๆนะแต่เห็นกิตก็ออกไปก็รู้นะหลวง พ, พ่เอเขาไปนั่นไปนี่อะไรนั่นแหละดีเมื่อก่อนเดินยก น, น้อนอ่ถ้ายายไปตลาดกล้าข้ามถนนบกไม่กล้ารถชนตายทางนี้ได้ไหมบอกว่าให้ยายเอาตะกร้า ย, ยู่แล้วก็เดินตลาดโอ้อย่างนั้นสบายก็กลับไปทำหลวงพ่อ พ อ, อไปทมเสร็จแล้วอู้ประกวาดบ้านไอ้ทำํำตำอี้ก็มีบ้านมันไม่ได้กวาดเลยก็เปลี่ยนลงมากวาดบ้านให้มีสติมีเท้าซ้ายเทา้าขวาเล่มื่อให้กายก็ทํามาและดามดูก็หลวงพ่อไม่สร้างถูกไหมหลวงพ่อฟังไม่ออกใครฟังออกแปลให้ทีคือสติมันมาเร็วสติมันเอาไม่อยู่ ครับใครที่ฟังเข้าใจอ่ะช่วยแปลให้หลวงพ่อหน่อยอ๋อครับอ่ายายแกบอกว่าคือปกติคือพอตกถ้าเกิดว่ายุบไอ้ก้าวหนョยุบหนอพองหนออะไรเนี้ยถ้าเกิดข้ามถนนก็กลัวว่ารถจะชนก็สมควรหรอกครับก็เลยต่อไปก็แค่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันกวาดบ้านถูบ้านอะไรพวกนี้แล้วก็เห็นให้เห็นว่าเออทําอยู่นะแล้วบางครั้งก็มีพุทโธอะไรทำนั้นนะครับไม่ต้องไปบริกรรมอะไรมากมายหรอกนะ จะพุทโธก็ได้แต่จะกวาดบ้านไม่ต้องกวาดเนาะขยับเนาะกวาดจนเย็นยังกวาดยังไม่หมดบ้านเลยนี่ไม่ใช่หลวงพ่อคือคือแทนที่จะมามาเดินพุทโธพุทโธก็ทํางานไปเลย ใ, <ช>ให้ใ<ช>รู้สติได้ทํางานอย่างมีสติใช้ได้มีสติเวลาจะข้ามถนนอย่าไปพองยุบนะะอยากเห็นแล้วเนาะหันแลเนาะเนี่ยอ๋อ ไม่มีรถหนอหันกลับมานี่นะข้ามหนอเปลี้ยงเลยนี่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสีแล้วนะหลวงพ่อนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสีปีแล้วค่ะเจ็ดสิบสี่ปีแก่กว่าหลวงพ่อนิดเดียวเองเจ็ดสิบีแล้วค่ะเดี๋ยวมานี้รู้สึกว่าฟ้าวิทยามาด้วยมันเก็บหลังอะรถมันแคแยกแค่ไหนแค่ไหนกระแทกอะหลวงพ่อ ฟังไม่ออกะเร็วหลวงพ่อนั่งอีกข้อหนึ่งนะคะคือปฏิบัติแล้ววันนั้นก็มันเห็นกระดูกกายนี่มันออกมามันเห็นแต่เป็นกระดูกอ่ะแล้วถึงเวลาจะเข้าห้องน้ำพอไปไปแล้วไปนั่งที่โถทําไมมันเป็นโพรงและมันลําไส้นี่มันเป็นพวงเลยหลวงพ่อก็ตกใจว่าอี้ทาไมเ่ะกยายนี้มัน ไม่ใช่ของเราแล้วไม่ใช่ของเราจิตมันมีสมาธิมันเห็นไปอย่างนั้นแหละดีขอบคุณค่ะไม่ปฏิบัติยังไงอีกมีสติไงไม่ว่าจะทำอะไรก็มีสติไปเรื่อยๆนะเอาเชิญกลับบ้าน